กราบขอโอกาสพระจันทรย์ทรงศินครับกราบขอโอกาสพระจานทร์วัฒ น, นชัยขอโอกาสพวกเราเพื่อนสาธมิกเจริญพรลุกเนนแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมเราพวกเราเล่าสู่กันฟังอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะครับเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวกันความรู้สึกตัวก็เป็นสิ่งที่ เราก็รู้สึกกันมาเนาะตั้งแต่เด็กแต่เล็กจำได้เด็กๆ ก, ก็รู้สึกตัวว่าขนหัวลุกรู้สึกกันไหมในเราใช่ไหมครับรู้สึกหนังหัวมันตึงๆแล้วก็ผมมันก็ชี้นะแล้วก็รู้สึกแบบนี้บางทีเราก็รู้สึก เนี่ยว่าแบบว่าท้องไส้มันไม่ดีนะอย่างนี้บางทีเราก็รู้สึกว่าเราปวดท้องอย่างนี้เนาะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราปวดหัวอย่างนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้มันก็มีรายละเอียดของมันที่น่าสนใจนะพอเวลาที่เรารู้สึกว่าขนหัวลุกนี่ยเรารู้สึกว่าท้องไส้มันปั่นป่วน เราก็จะรู้สึกเป็นส่วนๆไปแต่พอเวลาที่เรารู้สึกว่าเราปวดท้องเราปวดหัวเราก็จะรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนะเรารู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วละอย่างนี้ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเองก็ได้ให้ความสนใจกับรายละเอียดตรงนี้เนาะรายละเอียดว่าเออเวลาที่ เรารู้สึกลงไปเป็นส่วนๆนตรงเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องส่วนนั้นเนาะมันมีมีปัญหาของมันเราก็รู้สึกลงไปหลวงพ่อเทียนเนาะก็ได้เห็นหลักตรงนี้เนาะได้สังเกตตัวเองตรงนี้เนี่ยก็เอามาสอนพวกเราเวลาที่พวกเราเคลื่อนไหวกันเนาะ สร้างความเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนรู้สึกเป็นครัง้งครั้งรู้สึกเป็นครั้งครั้งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราหัดก็เรียกว่าหัดหัดคอยรู้สึกตัวกันตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเวลาที่เราหัดเป็นครัง้งครั้งเนี่ยเป็นครัง้งครั้งเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันเกิดก็เรียกว่าจะเกิดความรู้ความเข้าใจ มากกว่าการที่เราคอยรู้สึกตัวเป็นครั้งๆังอย่างอย่างเมื่อก่อนเนาะอย่างเมื่อก่อนอาจจะปีหนึง่งก็อาจจะรู้สึกท้ อ, ทองไส้มันปั่นป่วนสักทีหนึง่งหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราไม่สบายนะไม่ไปหลงเรียนหรืออะไรต่างๆ ต, ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นครัง้งครัเขาคๆาไปแต่พอเวลาที่เรามาฝึกความรู้สึกตัวกันที่นี่เนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยได้คอยรู้สึกเนาะ ไปกับกายของเราไปกับใจของเราเนี่ยรู้สึกลองรู้สึกกับมันดูเนาะลองรู้สึกกับมันดูว่าเออถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวแบบนี้เนาะทั้งวันทั้งวันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสิ่งที่แน่ๆเลยก็คือเราก็จะเคยชินนะกับการที่จะคอยรู้สึกตัวเพระาะว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ที่นี่กันเจดวันอย่างเงี้ยเนาะ เราจะทำเรื่องความรู้สึกตัวกันอย่างเดียวเราจะไม่ทำเรื่องอื่นนั้นนั่นคือเมื yah, ่อเราทำเรื esting, <ans circles. S 1> ่องเดียวเนี่ยบางทีมันก็ก็เรียกว่าเป็นความขยชินที่เราจะรู้สึกลงไปเมื่อเราเป็นความเคยชินที่รู้สึกลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดความต่อเนื่องเนาะของความรู้สึกลงไปที่กายรู้สึกลงไปที่ใจเนี่ยมีความรู้สึกที่ต่อเนื่องก็จะเกิดความรู้เรื่อง รู้เรื่องของกายรู้เรื่องของใจเนี่ยที่มากขึ้นเราเองเนาะตั้งแต่เด็กจนโตหลวงพ่อเนาะก็จะเหมือนกับก็ก็เรียกว่าไม่ได้ใช้คําว่ารู้สึกตัวแบบที่นี่เนาะนั่นนั่นคือเราก็อยู่กับเรื่องอะไรเราก็อยู่กับความคิดเนาะอยู่กับความคิดบางทีเราก็คิดเอาเนาะคิดเอาไปว่าอ รู้สึกว่าคนนี้เขาไม่ค่อยชอบเรารู้สึกว่า ứng, คนนี้เขาชอบเราแบบนี้นะคือพอเรารู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่เราจะใช้กันที่นี่นะเพราะว่าความรู้สึกตัวแบบนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องของความคิดคิดเอาเองอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราก็คุ้นเคยนะกับการที่เราจะคิดเอาเองแล้วเราเรียกว่ารู้สึกไป รู้สึกไปว่าอันนั้นรู้สึกไปว่าอันนี้อะไรต่างๆนานาเหล่านั้นนี่ตรงนี้เราจะต้องแยกกันแยกกันเนาะว่าความรู้สึกตัวลงไปจริงๆที่นี่เนี่ยก็จะให้หัดเขาเรียก ว, ว่าหัดรู้สึกไปกับกายที่เคลื่อนไหวเวลาที่เราเนาะเรียกว่าเราสร้างจังหวะ14จังหวะขึ้นมา14จังหวะเนาะก็คือเราจะมีการรู้กัน14ครั้ง เมื่อกายเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งก็รูปครั้งหนึ่งเมื่อกายเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งก็รูปครั้งหนึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราต้องหัดหัดแยกกันว่าในขณะที่เรารู้สึกจริงๆเนาะไปกับกายที่เคลื่อนไหวหรือเรารู้สึกแบบที่เราเราคิดเอาอย่างเงี้ย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยให้เราได้เหมือนกับว่าจําแนกแยกแยะเนาะเวลาที่เราอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย เคลื่อนเป็นครั้งพลิกมือครั้งหนึ่งก็รู้ใช่ไหมรู้ไปกับการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งตอนนั้นก็จบลงเนานะจบลงถ้าเกิดว่ามันมีความคิดปนเข้ามาก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเพราะว่าตอนนั้นอะมันเป็นตอนที่เรากําลังแบบว่าให้ความสนใจกับความคิดเนาะให้ความสนใจกับความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจกับความคิดกลับมาสนใจกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก่อน เราทำแบบนี้เนาะเราทำแบบนี้กันมันเหมือนกับเราเวลาตอนเด็กๆเนาะครูก็บอกเอา้าตั้งใจหน่อยตั้งใจฟังครูหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างนั้นพอไม่ตั้งใจฟังครูคืออะไรก็เราก็ตั้งใจคุยกันตั้งใจคิดนูน่นคิดนี่ตั้งใจนั่งเหมือนเนาะจริงๆคําว่าตั้งใจนั่งเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจนะ แต่มันเมื่อของมันไปเองอย่างนั้นคําว่าเมื่อก็คือใจลอยพอใจลอยก็ไม่ได้ฟังครูแบบนี้เนาะอย่างนั้นใจลอยไปไหนใจลอยไปกับความคิดไปสมรู้ร่วมคิดกับความคิดเนาะคิดนู่นคิดนี่เรื่อยเปลื่ยไปเนาะอันนะี้อย่างที่พระอาจารย์ทรงสินท่านบอกเนาะบางทีเราก็คิดไปถึงอดีตบางทีเราก็คิดไปถึงอนาคตอะไรแบบนี้นั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่เวลาที่เราหัดกันเนี่ยเราจะหัดกันแบบว่าอืม เราจะลองเนาะมีสติเนาะไปกับกายที่เคลื่อนไหวหรือเราจะเรียกว่ารู้สึกเนาะไปกับกายที่เคลื่อนไหวเป็นข้างครั้งก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในขณะที่เรารู้สึกตรงเนี้ยเนาะมันเป็นความตั้งใจเนาะที่เราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วก็เป็นความตั้งใจที่เราเนี่ยจะเหมือนกับว่าเอาใจเนี่ยเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาคอยรับรู้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ เราจะไม่คุ้นเคยเพราะเนื่องจากว่าเราก็หัดเดินหัดกินเนาะหัดนูน่นหัดนี่กันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็หัดแล้วเราก็ทำได้ทาได้แล้วเราก็ทำไปเลยใช่ไหอย่างเนี้ยการก้าวเดินของเราเนาะการหยิบช้อนเนาะตักอาหารเข้าปากหรืออะไรมันก็เป็นสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วละอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คอยตั้งใจที่จะรู้สึกเนาะรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งครัง เพราะถ้าบว่าเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยหมายถึงว่าใจเราก็ไม่อยู่ตรงนั้นละ่ะแล้วใจไม่อยู่ตรงนั้นคือใจมันไปอยู่ตรงไหนใจก็ไปอยู่กับความคิดนั่นนนัคือพอเวลาที่เราทําการทํางานเนี่ยเราก็จะสังเกตนะเวลาที่เราใจลอยเนาะการงานของเราก็ผิดพลาดเนาะอย่างหลวงพ่อเนาะบวกลบคูณหารเนาะจ่เป็นอย่างเนี้ยพอเวลาที่ เรานึกอยากจะไปเล่นเนาะใช่มไหมอย่างเงี้ยตัวเลขง่ายๆนะที่เราควรจะต้องทําได้นะเราก็ทําไม่ได้ละทําผิดละอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีเอ่อเขาเรียกว่าไม่ได้มีใจที่จะสํารวจตรวจสอบทํากันบ้างเลขสิบข้ออย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมจริงๆเลขมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่ว่าไอ้ใจที่มันไม่อยู่ตรงนั้นละทําให้เราบวกลบคูณหารไม่ถูกนะแล้วเราก็ไม่ทันรู้ตัวนะ เราก็ยื่นส่งครูไปพอส่งครูไปครูก็ใช่ไหมครับก็แก้ไขามาเราก็เพิ่งรู้ตัวว่าโอ้เราทําผิดไปนะอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับแต่นั่นคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เอาใจใส่เมื่อไม่ได้เอาใจใส่เนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยแบบว่ามาหัดเนาะคอยรู้ไปกับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งๆเป็นครั้งครังเนี่ยเราคอยรู้เพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ย ใจเราอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวหรือเปล่าหรือตอนนี้เนี่ยใจเราเผลอไปคิดนึกเรารู้แค่นี้เองนะไม่ต้องไม่ต้องรู้มากกว่านี้ไม่ต้องบกลบคูณหารเป็นจุดทศนิยมอะไรต่างๆนานาอันนั้นยังยากเกินไปเนาะเราทำเพียงแค่นี้เองนะครับเพียงแค่นี้เองว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยใจเนี่ยอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือเปล่าเนาะตอนนี้กายเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตอนนี้ใจอยู่ที่ไหนกันอะไรเงี้ยนะ เราหลงไปคิดไหมเผลอไปคิดไหมอะไรเงี้ยนี่คือเราหัดนะหัดที่จะคอยรู้สึกแบบนี้หัดที่จะคอยรู้สึกแบบนี้ผลดีคืออะไรผลดีคือเราเนี่ยก็ไม่ต้องคอยให้ใครเนี่ยมาเตือนเราว่าอาตอนนี้ใจรอยนะตอนนี้เหม่นะตอนนี้เผลอไปคิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะมีตัวสติตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่คอยดูแลคอยดูแลกายเราคอยดูแลใจเรา คอยดูแลว่าตอนนี้กายเราเป็นยังไงตอนนี้ใจเราเป็นยังไง mm hmm. ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเมื่อก่อนเนะาะแบบว่านึกย้อนไปถึงตอนที่เราเรียนหนังสือหรือตอนที่เราทำงานหรืออะไรต่างๆเราจะอาศัยความชำนาญเนาะเราจะอาศัยความชนานาญตลอดมาแต่ว่าตรงนั้นะ่ะเราไม่ได้เคยคิดเลยนะว่าถ้าเกิดความชำนาญของเราเนี่ยมีสติตามลงไปด้วยเนี่ยนะมันจะเกิดความงดงามมากขึ้น เราก็อาศัยความชํานาญของเราอย่างเดียวพอความชานาญของเราทําลงไปปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับอย่างนั้นปรากฏว่าเออบางทีเราก็เห็นนะว่าเราอาศัยความชํานาญของเราความชานาญของเรามันก็มีผิดมีพลาดนะอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเราจะเอาสติมาช่วยเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนจะไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดถึงการใช้สติอะไร มากมายไปกว่าเวลาที่เราเข้าตาจนจริงๆเราจะคิดกันถึงว่าโอ้ขอตั้งสติสักหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยนั้นนั่นคือนี่คือเป็นเรื่องที่เราเนี่ยเวลานี้นะครับเราไม่ได้มีครูคอยถือไม่เรียวนะครับกํากับเราไม่ได้มีใครคอยที่จะมาเขาเรียกว่ามาคอยบอกคอยกล่าวเราตลอดเวลาเราต้องรับผิดชอบตัวของเราเองแล้วเราก็ยังต้องรับผิดชอบ คนอื่นๆรอบๆข้างอีกเนี่ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยการที่เรามีสตินะคอยดูแลแกกายการที่เรามีสติคอยดูแลใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหลวงพ่อําเขียนจะบอกนะบอกว่าเราเนี่ยถ้ารับผิดชอบตัวเองได้เราจะไม่ทําให้คนอื่นทุกถ้าเรารับผิดชอบตัวเองได้เนาะเราจะไม่ทําให้ทั ว, วคนอื่นทุกเนี่ย ตอนนี้ก็นึกถึงเนาะนึกถึงสมัยก่อนเนะก็มีพวกเพื่อนๆนเพื่อนก็นสนกันสนกันบางคนแขนหักสองครั้งหักแล้วเนาะใช่ไหมปีนี้หักแล้วก็จะไม่เข้าเฟือกไปเอาแบบว่าดีอีกสองสมปีใช่ไหมครับเล่นทมลทมลกันเอาแขนหักอีกแล้วได้อย่างเงี้ยอย่างนั้นคือตรงนี้เนี่ยนั่นคือพอเวลาที่เรานึกถึงเนาะพอเวลาที่เราสนุกเนาะ นี่มันก็ไหลไปกับความคะนองพอไหลไปกับความกระนองเนี่ยความสนุกมันก็เกิดผิดพลาดใช่ไหมครับเกิดความบาดเจ็บอะไรต่งางนนๆนานาเหล่านี้ขึ้นมามเรารบาดเจ็บคนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เดือดร้อนละใช่ไหมครับอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้นะว่าการที่เรามาฝึกกันที่นี่เราฝึกรู้สึกตัวกันมีสติไปกับทุกอิริยาบถเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราจะมีการที่ ดูแลความเป็นไปของกายเราเนาะดูแลความเป็นไปของใจเราผลของการที่เราดูแลความเป็นไปของกายความ ด, ดูแลความเป็นไปของใจมันก็จะทําให้อะไรเราก็จะทําให้ตัวเราเองไม่ทุกข์ <c oughs> ไม่ทุกข์กับไปกับการกินอยู่หลับนอนของเราเนี่หละอย่างเนี้ยจริงๆเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรอื่นๆที่นอกตัวนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราเอามาใช้กับเนี่ย การลุกนั่งยืนเดินของเราเนี่ยให้มันงดงามเนาะคำว่างดงามเนี่ยไม่ใช่ว่าสวยเนาะแต่ว่าหมายถึงว่าให้มันเขาเรียกว่าเป็นไปอย่างเหมาะอย่างสมอย่างนี้นึกถึงสมัยเด็กๆ <c oughs> บางทีเนาะแบบว่าเวลาที่จะนั่งเนาะเราก็ยังไม่ทันสังเกตเลยนะครับว่าเก้าอี้ที่เราจะนั่ง้มันเลอะเทอะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอย่างนั้น นั่งลงไปก็ยังไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งลุกขึ้นมานะเพื่อนก็บอกว่าเอ้านี่เก่งเงเลิกโคลอนอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ตัวกันได้เป็นแบบนี้นะสมัยก่อนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเนียกว่าอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราเป็นครัง้งพลั้งที่นี่เนาะจะสอนเนาะบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยแบบว่าปฏิบัติกัน เราจะปฏิบัติกันทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเนาะคำว่าในรูปแบบก็คือที่นี่จะมีรูปแบบของการสร้างจังหวะ14จังหวะกับรูปแบบของการจงกลมเนาะตรงนั้นก็มันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราทำกันเป็นหลักๆแต่ว่านอกรูปแบบก็คือเวลาที่เราจะมาไปขบชันทานข้าวกันหรือว่าเวลาที่เราเนี่ย กลับไปที่กุตติเนาะอย่างนั้นหาเสื้อผ้ามาใส่เข้าห้องน้ำห้องท่าปิด ป, ปิดประตูเปิดประตูอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะคอยรู้สึกเนาะไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีนะครับพวกเราโตๆกันก็อาจจะนึกเห็นเด็กๆเนาะ มันทีเปิดน้ําใช่ไหมครับก็เปิดน้ําแรงน้ํากระเด็นเละเทอะอะไรต่างๆใช่ไหมครับให้เราได้คอยดุๆมากๆกันตรงเนี้ยนะครับเราก็รู้นะว่าเด็กเนี่ยใช่ไหมครับเวลาที่เขาทาแบบนั้นกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าใจเขาไม่อยู่ตรงนั้นนะนึกอยากจะเล่นนึกอยากอะไรต่างๆใช่ไหมครับอย่างนั้นนั่นนั่นคือเราเนี่ยใช่ไหมครับเรามีโอกาสเนาะมีโอกาสที่จะฝึกกันแบบนี้หลวงพ่อคําเชิญบอกว่าให้เวยโอกาสนะ ทุกความเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเป็นการที่เราคอยฝึกที่จะรู้สึกตัวกันถ้าเราฉวยโอกาสทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยการทานข้าวของเรานะครับก็จะแบบว่าคอยรู้สึกนะครับใบกระกันตักอาหารใช่ไหมครับรู้สึกได้ไหมว่าอืมอาหารที่อยู่ในช้อนเนี่ยมันมากเกินไปน้อยเกินไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับรู้สึกถึงการที่เราส่งอาหารเข้าปากอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมครับอย่างนั้น รู้สึกได้ในขณะที่เราเคี้ยวนะครับอืมใช่ไหมครับอืมเราเคี้ยวพอสมควรหรือยังพอสมควรที่จะกลืนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเนี้ยบางทีเด็กๆ ก, ก็จําได้นะ <c oughs> เคี้ยวอาหารไปนะครับแบบว่ากลางก็ติดคอพราะอะไรพราะบ้าเราไม่ทันได้สัมผัสกับอาหารที่อยู่ในปากใช่ไหมครับอย่างนั้นรีบเคี้ยวรีบกลืนอย่างเงี้ย มีก้างอยู่ก็ไม่ไม่รู้ไม่ทราบหรือบางทีเชียวไปอาหารก็ติดคออย่างนี้นะอย่างนั้นอะไรเพราะว่านั้นคืออาหารมันชิ้นใหญ่เกินไปอนะไรอย่างเงยตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคอยรู้สึกไปคอยรู้สึกไปกับแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอ น, ตตอนเหมือนเรารู้สึกนะครับกับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งครั้งเป็นครั้งครเนี่ยพอเรารู้สึกแบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับนเนี่ยการทานอาหารของเรามันจะล้าปลื่ม น, นะใช่ไหมครับอย่างนั้น ลาบลื่นไม่เละเทะนะครับแล้วก็การกลืนการอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะเหมือนกับพอเหมาะพอดีนะครับเนี่ยอันนี้คืออา น, นิสงส์เนาะของการที่เราเนี่ยมาหัดมาหัดรู้สึกตัวกันเราทําเรื่องนี้นะครับเราทําเรื่องนี้เราก็วัดผลกันไปนะครับวัดผลกันไปเลยไม่ใช่ว่าเออมาทำเจวันแล้วผลจะเป็นยังไงไม่ต้องนะครับอย่างนั้นเราคอยสํารวจเนี่ยเป็นครัง้งครัง้งของเรา การยกมือของเราก็เหมือนกันนะครับคอยรู้สึกไปกับกายเนาะว่าเรายกมือครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความยกมือที่เราพยายามมากไปไหมนะครับอย่างนั้นหรือว่าเรายกมือช้าไปไหมหรือว่าเรายกมือเร็วไปไหมบางทีแบบว่า14จังหวะเนี่ยเราก็ไม่ทันได้สํารวจนะครับว่ามันเป็นจังหวะจังหวะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีนะครับพอเราทําคล่องๆใช่ไหมครับมันก็เป็นสายยาวไปเลยอย่างเงี้ยนะครับ ตั้งแต่1นึถึงสิเนี่ยไม่มีจังหวะหยุดไม่มีจังหวะเคลื่อนนะครับแบบนั้นพอเป็นแบบนั้นเนี่ยความรู้ของเราก็ไม่รู้จะรู้ตอนไหนใช่ไหมครับไม่รู้จะรู้ว่าไ อ, อ, อ้การรู้เป็นครั้งครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับได้อาศัยการสังเกตของเรานะครับมีสติที่จะคอยรู้สึกไปเนี่ยกับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งครเนี่ยเราก็จะค่อยๆปรับแต่งนะครับ อาการของกายของเรานะครับให้เคลื่อนไหวที่พอเหมาะพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ใช้ความพยายามมากเกินไปนะครับมันก็เกิดความเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล น, นะครับมีการเคลื่อนครั้งหนึ่งมีการหยุดครั้งหนึ่งที่พอเหมาะพอดีตรงเนี้ยนะครับถ้าเรียกว่าหนูว่ากัมเจียนจะบอกบอกว่าถ้าเรานะครับถ้าเราคอยรู้สึกแบบนี้เนี่ย เราก็ไม่ต้องให้ใครคอยมาตรวจมาสอบเราเนาะจะเป็นกับว่าเอ๊ะเราทําเป็นยังไงนะครับอาศัยตัวสติตัวเนี้ยนะครับคอยดูแลคอยดูแลกายเราคอยดูแลใจเรานั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับว่าให้เราได้หัดกันนะครับหัดกันการปฏิบัติธรรมที่นี่หลวงพ่อกรมเขียนนะครับก็จะบอกอยู่เสมอๆว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับนะครับแต่เป็นเรื่องลึกซึ้ง ไม่ใช่เรื่องเลยครับเพราะไหไรเพราะเมื่อก่อนเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเรื่องอะไรปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรปฏิบัติแล้วจะเห็นแสงเห็นสีอะไรต่างๆนั่นเล่านี้ไม่ใช่นะครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับของใช้รอบๆข้างเรานะครับเกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไกลๆออกไปตรงเนี้ยนะครับว่าถ้าหากว่า เราเนี่ยนะครับมีสตินะครับที่จะคอยดูแลกายเราคอยดูแลใจเราการกระทําของเรานะครับจะเป็นการกระทําที่เป็นกุศลเป็นการกระทําที่พอเหมาะพอดีเป็นการกระทําที่สมควรแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับแบบว่าไม่ได้ทําไปตามนะครับตามสมควรนะครับมันก็เกิดอะไรขึ้นเกิดการทําตามสิ่งที่ไม่สมควรนะครับ การทําตามสิ่งที่ไม่สมควรคืออะไรทําตามใจชอบคือการทําตามใจชอบใช่ไหมเราก็จะพบว่าเราอะนะครับทําตามใจชอบกันมาทั้งชีวิตนี้นะครับวันหนึ่งอะไม่รู้จะกี่หนแต่้กี่หนแล้วก็การทําตามใจชอบแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเราสังเกตถ้าเราไม่สังเกตก็แล้วไปแต่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ย ทุกครั้งนะครับที่เราทําตามใจชอบเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรคือความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับว่าให้เราเนี่ยได้ลองนะครับลองลองอยู่กับความรู้สึกตัวนะครับความรู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องที่นอกตัวไม่ใช่เรื่องที่เราเป็นเรื่องลึกลับเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราสัมผัสดได้เลยนะครับ รู้สึกลงไปที่กายกายที่เคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวจริงๆก็รู้สึกจริงๆนะครับอย่างนั้นมีใจที่เผลอไปคิดนึกจริงๆก็เป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเรารู้สึกแค่นี้รู้สึกแค่นี้ไม่ต้องไปรู้สึกว่ามันผิดมันถูกนะครับหรือไม่ต้องไปรู้สึกว่านะครับว่าเอ๊ะอันนี้ทําไปทําไมอันนั้นทําไปทําไมรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่ความรู้สึกมันเป็นความคิดนะครับอย่างนั้นวางไปก่อนเลยนะครับวางไปก่อนเลยเพราะถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ย นะครับไปวุ่นวายกับความคิดเนี่ยนะครับใจเราจะไม่ได้มาทําความรู้สึกตัวเหมือนเรานะครับเป็นเด็กอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราไปเล่นเราก็ไม่ได้มาช่วยทํางานบ้านนะอย่างเนี้ยนั่นนั่นคือตรงนี้นะครับจิตใจของเรานะครับอาจจะเหมือนกับเคยฟุ้งซ่านนะครับเคยลอยไปไหนก็ไม่รู้เคยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ในะชีวิตของเราก็เลื่อนมาทุกวันนะครับเดี๋ยวก็เช้าวันใหม่เดี๋ยวก็เช้าวันใหม่ เราอยู่กับความหลงกันมาแบบเราไม่รู้ตัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาหัดนะครับหัดคอยมีสติคอยรู้สึกตัวกันมีสติไปกับการเคลื่อนไหวนะครับอย่าง้มีสติด้วยการที่เราหัดอยู่ในรูปแบบนะครับนั่งนะครับสร้างจังหวะหรือเดินจงกลมแล้วเราก็มีสติไปกับนอกรูปแบบก็คือในจังหวะที่เรากำลังจะลุกขึ้นนะครับก็ลุกอย่างมีสติยิ่งพระนะครับ เราไม่มีชั้นในกันเนาะใช่ไหมครับอย่างนั้นการลุกการนั่งนะครับเกิด <g arden> ไม่มีสติ <g arden> ก็โปกันอย่างนี้เนาะอย่างนั้นะนั่นนั้นคือตรงเนี้ยนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราหัดนะครับหัดแล้วก็เกิดความงดงามเกิดความสมควรตรงนี้ก็นะครับก็เป็นเรื่องที่ได้แล้วนะครับมีสติแล้วก็ได้ผลเรียบร้อยแล้วมีสติแล้วก็ได้ผลเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคำเขียนจะบอกว่าเหมือนกับเวลาที่ เรานะครับแบบว่าเราจะทําเขื่อนใช่ไหมครับเราจะทิ้งหินลงไปในน้ำเนาะทีละก้อนทีละก้อนหินแต่ละก้อนแต่ละก้อนที่ทิ้งลงไปในน้ำเขาทําหน้าที่ของเขาแล้วนะทําหน้าที่ของเราเปลี่ยนแต่ว่าเราไม่เห็นเหมือนกับเราตอนเนี้ยนะครับเราก็เหมือนกับว่าเคลื่อนไหวครั้งหนึง่งถ้าเรารู้สึกตัวจริงๆครั้งหนึ่งจิตใจเราก็เป็นปกติแล้วล่ะนะครับจิตใจเราก็ไม่ไปจมอยู่กับความคิดนะครับ ไม่ไปจมอยู่กับทุกข์กระสุขอะไรต่างๆนาน า, นาจิตใจของเราก็เป็นปกตินะครับไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่แล้วนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับว่าการที่เราหัดกันเนี้ยไม่เหมือนกับเราที่แบบสมัยเด็กๆนะครับจะต้องแบบว่ารอสามเดือนสี่เดือนสอบทีหนึ่งจะได้ที่หนึ่งที่สองหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอันนั้นนะครับเป็นผลที่อันนั้นเป็นเรื่องของทางโลกนะแต่ว่าเรื่องของทางธรรมเนี่ย ทำดีอ่ะดีแล้วนะครับหลวงพ่อเทียนจะบอกอย่างนี้ทำดีดีแล้วนะครับไม่ต้องว่าทำดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใครจะมาชมไม่ชมอะไรต่างๆนานานั้นนั่นคือตรงนี้นะครับเราอยู่กับโลกนะครับมานานนะครับเราก็เหมือนกับว่าไหลไปตามโลกนะครับคําว่าไหลไปตามโลกก็คือไหลไปตามความอยากไหลไปใช่ไหมครับไปตามความคิดนะครับอันนี้นะครับเราจะมาหัดกันใหม่ หัดอยู่กับทางธรรมนะครับนะครับไม่อยู่กับทางโลกละเราอยู่กับทางธรรมอยู่กับอะไรก็คืออยู่กับสตินะครับอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ความรู้สึกตัวจะพาให้พวกเราเนี่ยได้ทำสิ่งต่างๆนะครับการกินกันอยู่เนี่ยแค่นี้เองเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยการกินกันอยู่ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นกุศลขึ้นมาทันทีเพราะเนื่องจากว่าการกินกันอยู่ของเรานะครับก็จะเป็นสิ่งที่ ทำให้เราเนี่ยได้เหมือนกับได้ใช้เลี่ยวแรงของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์จริงๆตรงน้ำหนักแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับโลกนะครับเป็นประโยชน์กับตัวเองแลยยะยแยะไปหมดซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะมาเรียนรู้นะครับการทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับ จากการกระทําครั้งเดียวนะครับไม่ต้องอดทนทําดีกับคนอื่นไม่ต้องอะไรทั้งหมดนะครับอย่างนั้นนั้นนั่นคือตรงเนี้นะครับมามาหัดกันนะครับมาหัดกันที่ตรงนี้เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้นะครับเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้หลวงพ่เทียนนะครับนะครับที่แบบว่าให้หลักเอาไว้หลวงพ่ําเขียนก็จะบอกบอกว่าไม่ต้องทําอะไรมากนะครับไม่ต้องทําอะไรมากคอยกลับมารู้สึกตัวนี่ละ คอยกลับมารู้สึกตัวแล้วก็รู้นะครับนะครับคอยรู้สึกไปกับกายที่เคลื่อนไหวเฉยๆนะครับอย่างที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับความคิดนะครับมีความคิดสลัดทิ้งไปก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับจะพาเรานะครับไปนะครับเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์นะครับได้ไปแล้วด้วยดีสุขโตแปลว่าไปแล้วด้วยดีหลวงพกอคำเขียนนะครับในจังหวะลมหายใจสุดท้ายของท่านก็งดงามมากๆนะครับ หลวงพ่อเทียนนะครับก็มีคนบอกบอกว่าในจังหวะลหมหายใจสุดท้ายของท่านก็งดงามมากๆนั่นกน็นคือตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับให้เรารู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็ความเคลื่อนไหวของเราเนี่ยจะพาเราไปแล้วด้วยดีด้วยกันทุกคนเนาะพวกเราก็กราบพระพร้อมกัน